ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต่รวงปโพจิยานในวันนี้ได้กล่าวเรื่องพูดชงมาตามลำดับคือเริ่มจากสติสัมพูดชงประองคธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัตให้ตระหนูธรรมคือสติซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วก็หมายถึงสติที่เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรม ในช่วงแรกได้ แ, แก่การตั้งสติให้สงบอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ทำตามสมควรแก่กรณีพอถึงจุดหนึ่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงถึงกายเวทนาจิตธรรมทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกดูการเกิดขึ้นการดำรงอยู่การแตกทำลายไป ตลอดถึงมาดูที่การแตกทำลายไปของกายจนในที่สุดก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นประจักษ์ว่าแล้วก็จริงกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งเหตุปัจจัยต่างๆที่ก็อให้เกิดขึ้นมีทั้งส่วนรูปธรรมและก็ส่วนนามธรรมแต่เมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็เอาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ตีทรงใช้คำว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาแต่ความเห็นระดับนี้เป็นความเห็นของระดับระยามุคคลซึ่งก็หมายความมาท่านเห็นได้แล้วท่านกละ ก, กิเลสได้ท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์แต่ในสังขารทั้งหลายแม้ในความเป็นตัวของตัวท่านเอง กันก็ถือว่าไม่มีตัวตนที่เทาหวอนอยั่งยืนอย่างที่เข้าใจกันเป็นการมองในแนวของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเปรียวเห็นแจ่มแจ้งเห็นชัดจิงเห็นเห็นชัดเจนเห็นตามความเป็นจริงเพราะตามปกติแล้วคนเราโดยมากเขาเรียกว่ามองวิปราลาดคือคลาดเคลื่อนจากความจริง ความจริงที่แท้จริงก็เป็นอย่างหนึน่งแต่พอเรามีตัณหามีมานะมีทิฏฐิอยู่เราก็มองไปด้วยอํานาจของอภิชาคือความหลงความไม่รู้หรือรู้ไม่ตลอดหรือรู้ไม่จริงทำไมการเน้นสิ่งต่างๆของสามัญชนนั้นแตกต่างจากปรริยเจ้าทั้งๆที่เป็นการมองสิ่งเดียวกัน เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ทรงแสดงความไมประลาดคือมองคลาดเคลื่อนจากความจริงไว้เป็นสีเรื่องใหญ่ๆด้วยกันถึงแรกก็สิ่งทั้งหลายก็ไม่มีอะไรสวยงามเป็นการประชุมขอกลุมประชุมกันของสิ่งทั้งหลายของสังขารทั้งหลายตอนนะั้นโดยใจเราก็ไปปประไกําหนดไปประเมินค่าไปตีราคาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม จริงแล้วพอแยกจ้อยออกไปแล้วก็หาความเป็นสวยงามอะไรไม่ได้ในสมัยพุทธกาลนั้นราชรถคงมีความสวยงามมากุูดด้เจ่ามักสอนในมองที่ราชรถบมืที่ดูวิจิตพิสดารสวยงามอย่างนั้นที่จริงมันเริ่มจากไม่มีราชรถเกิดเป็นความคิดขึ้นมาก่อนว่าอยากจะมีราชรถ แล้วก็มีการเขียนออกแบบแปลนแผนพังออกมามีการสร้างค่อยสะสมวัสดุขึ้นมาทีละชิ้นสองชิ้นกว่าจะเสร็จเป็นราชรถได้นั้นใช้เวลานานแต่เมื่อมองในช่วงที่เป็นราชรถแล้วก็เห็นว่าวิจิตรพิสดารแต่มองในช่วงของการก่อสร้างก็เห็นว่าเป็นการนำสิ่งทั้งหลายมากาะกลุ่มประชุมกันเท่านั้นเอง แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็แตกสลายไปความเป็นราชดรก็ไม่มีผลสังขารทั้งหลายที่เรียกว่าขันธาตุอายตนะคือเราแต่ละคนนั้นเป็นที่ประชุมของขันธาตุอายตนะมีขันธ์ห้ามีธาตุี่มีอายตนะหกเป็นต้นเนี่ยมากคุมประชุมกัน แต่ว่าจิตใจไปเกิดไปหมายมั่นว่ามันเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราโดยหน้าของตนามาณทิฏฐิดังนั้นเมื่อมองเขาเรียกว่าชําแรกคือใช้ปัญญาชําแรกคล้ายๆกับชํามแหลกออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแลในสุดก็จะหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้ เหมือนกับการมองสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วก็แยกชิ้นส่วนต่างๆออกไปเป็นกองมันกองมันกองอยู่กันเราหาความเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่ในสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เพราะความเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูนั้นมันอาศัยการเกาะกลุมกันของเหตุปัจจัยแต่เมื่อเหตุปัจจัยแตกสลายไปมันก็ความเป็นโคเป็นควายความเป็นหมูก็ไม่มี เราก็สักแต่ว่าเนื้อสักแต่ว่ากระดูกสักแต่ว่านังสักแต่ว่าเขา่าสักแต่ว่าอาวัยวะส่วนนั้นๆของสัตว์นั้นๆไม่มีความเป็นสัตว์จริงๆไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลจริงๆแต่การมองในแนวที่วิปลาสนั้นจะมองในแนวอยู่สองแนว แนวหนึ่งก็คือมองเทียกว่าทรงใช้ับว่าอนุพยัญชนะคือแยกส่วนย่อยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาแล้วกําหนดค่าว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจอีกประการหนึ่งเป็นการมองรวบเช่นว่ามองเป็นคนมองเป็นสัตว์มองเป็นอาคารมองเป็นรถมองเป็นบ้านมองเป็นเสื้อผ้าสิ่งต่างๆเป็นต้น แล้วไปกำหนดค่าว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะสิ่งทั้งหลายมันก็เกาะกลุ่มกันถ้าเราไม่ดูรายละเอียดมันก็เห็นเป็นความสวยงามเป็นปกติธรรมดาแต่พอแยกย่อยออกไปแล้วก็จะมีฝันชัดเจนว่าหาสาระแก่นสารอย่างที่กล่าวถึงไม่ได้ปัญหาใหญ่มันจึงอยู่ที่ปัญญาว่า เรามีปัญญาไม่มากพอที่จะมองเห็นอย่างนั้นได้ดังนั้นเวลาพัฒนาปัญญาขึ้นไปก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามมองอวัยวะต่างๆของร่างกายเราซึ่งมันใกล้ตัวเลื่อจะเรียนจากรากศพต่างๆจากข้างนอกก็ได้เรียนจากคนแก่คนเจ็บคนตายก็ได้ เรียนจาความแก่ความเจ็บความตายของเราเองก็ได้จนถึงจุดหนึ่งก็จะมองเห็นว่ามันไม่ได้มีความสวยงามอย่างนั้นอยู่อย่างแท้จริงความแสงสวยงามเป็นเรื่องของจิตมันปรุงคิดคิ ด, คดปรุงขึ้นมาเท่านั้นพอปัญญาเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งคนก็จะค่อยคอยเห็นถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของสิ่งทั้งหลาย ในร่างกายมีการสร้างเหงื่อความเคหนัดเพื่อเพลินที่จุ่มยินดีมันก็เอาก็จริงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโรคานิทังคือรังของโรคประพังคุณังคือต้องเปื่อยเน่าไปร่างกายเราเป็นที่รวมของโรคสัรพโรคไม่เป็นอันเนกนั้นจนทําให้ร่างกายเข้าถึงธรรมดาประการหนึ่งก็คือความเจ็บไข้เป็นธรรมดา แสดงว่ามันเป็นรังของโรคเป็นที่ประชุมของโรคซึงในการมองนั้นทรงสอนให้มองหลายแนวมองในแนวคล้ายๆกับเราเอาของไปใส่ถุงไว้แล้วก็เทของเรานั้นออกมาจากถุงร่างกายของเราก็เหมือนกับถุงใส่สิ่งต่างๆ เวลาแยกย่อยออกมาเป็นอาการทั้ง32เป็นผมขนเล็บขันนังเนื้ออินกระดูกเคื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังปื้ดไตปอดไส้ใหญ่ไายน้อยเป็นต้นมันก็เหมือนก็เทของออกมาจากถุงและในสุดก็หาความเป็นกายที่แท้จริงไม่ได้เพราะกายเองก็แปลว่าที่แหล่งหรือที่รวมหรือที่ประชุมหรือที่เกิดที่อยู่ของสิ่งปฏิกูล การคิดจึงต้องคิดบ่อยๆต้องดูบ่อยๆจนพุทธเจ้าสอนในรูปของอารมณ์กรรมาฐานทั้งส่วนสมถทานแล้วก็ส่วนวิปัสสนาเพราะไรเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มันไปนทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสการมราคะคือความกำหนัดในกายต น, นความกำหนัดในกายบุคคลอื่นความกำหนัดในสิ่งของต่างๆของตนความกำหนัดในสิ่งของต่างๆของบุคคลอื่น มันก็ดีไปใจทุกเรื่องในความรู้สึกนึกคิดที่ถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจคนกิเลสทั้งหลายเพราะการมองในแนวนี้จึงเป็นการมองโดยสีโดยสันฐานโดยกลิน่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดย ป, ปูกโพโดยหิดต่างๆของร่างกายในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราก็รู้เห็นกันอยู่ เดนมงุตรว่าผมบนศีรษะตกลงไปไปในอาหารอย่างเนี้ยอาหารก็ถูกรังเกียจแล้วผมก็ถูกรังเกียจแล้วทั้งๆ ท, ที่ตอนอยู่บนศีรษะนั้นรักทนูถนอมตกบรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆแต่พอแกเคลื่อนจากที่นิดเดียวแต่นั้นเองเราก็เกิดรังเกียจแล้วแสดงว่าโดยพื้นจริงๆเนี่ยคนก็มีความรู้สึกในเรื่องดอกนี้ แต่เป็นอาการรังเกียจที่มันเจือเจือด้วยโทสะคือไม่ชอบคือหมายความว่าก็เปลี่ยนจากกิเลส ต, ตัวหนึ่งไปหากิเลสอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนจากกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะมากลายเป็นกิเลสประเภทโทสะซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความหมายนั้นหมายความว่าจิตใจได้ลดกิเลสลงไป เวลาปกติแล้วกิเลสเนี่ยถ้าเขาลดแล้วเขาก็ลดด้วยกันเช่นราคะมันลดลงไปโทสะก็ลดลงไปโมหะก็ลดลงไปหรือโมหะลดอย่างอื่นก็ลดโทสะลดอย่างอื่นก็ลดคือจริงๆก็ต้องลดด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นลดอย่างหนึ่งแล้วไปเพิ่มอย่างหนึ่งจากนั้นก็ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะถ้าเราเทียบเคียงกิเลสประเภทโลภะกับประเภทโทสะแล้วเนี่ย กิเลสประเภทโลภะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายได้ชา้ากิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษมากแล้วก็คลายได้เร็วเพราะในตอนโทษมากมันก็เป็นอันตรายแต่ดีหน่อยที่มันคลายได้เร็วนั้นเองเป็นการเปลี่ยนย้ายกิเลสในลักษณะนี้ก็ทำนองคล้ายๆกับการบริจาคในบางสิ่งบางอย่าง ต้องการได้เรียนตราต้องการได้เกียรติยศชื่อเสียงต้องการการยกย่องสรรเสริญต้องการการสุดดีต่างๆและเป็นการเปลี่ยนความโลภในทรัพย์มาเป็นความโลภในยศในชื่อเสียงในเรียนตราต่างๆานั้นเองถ้าไม่ได้ตามที่ตนต้องการก็จะเกิดโทษส ประเภทแรกก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ตามที่ตนต้องการก็เกิดโทสะหรือเกิดโศกหกือเกิดความโศกขึ้นมาก็แสดงว่าใจมันก็วิ่งวิ่งไปอยู่ในสายของขิเลสยันที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องอารมณ์ของโรมิหารทั้งสี่ประการคือถ้าเรามองดูแล้วเนี่ย ตัวธรรมะเองเขาอยู่กลางๆธรรมะที่เป็นกุศลนั่นจะอยู่กลางๆถ้าตกก็ไปซ้ายหนักซ้ายหรือขวามากเกินไปมันก็เป็นอาการของกิเลสแตบบ่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันถึงความเป็นจริงเราก็อาจจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นกิเลสนั้นก็คือธรรมะก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างเช่นเมตตาอย่างเนี้ ถึงเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยกันมากแต่ว่าภาคปฏิบัตินั้นปฏิบัติได้ยากเพราะอะไรพระเมตตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์หมายความว่าในข้อปฏิบัตินั้นต้องสามารถพัฒนาจิตใจของตัวเองเออกไปให้มองเห็นสัตว์เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น และปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ผลสลายตันกันระหว่างตนกษัตริย์เหล่านั้นแต่ว่าอารมณ์จริงๆเนี่ยอารมณ์จริงๆในแต่ละวันของคนกับคนนั้นเรามีความพอใจกับไม่พอใจก็แสดงว่าที่เราสะสมไว้ภายในใจนั่นเป็นอย่างหนึ่งความพอใจก็โน้มเอียงไปทั้งโลภะทั้งหลกักะ พอไม่พอใจกโน้มเอยียงไปทางโทสะแต่ในขจัดขณะที่เมตตานั้นต้องการขาจัดราคะต้องการขาจัดโทสะเลยก็กลายเป็นว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นอย่างหนึง่งที่เราสะสมไว้ในแต่ละวันเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ที่เราต้องการใช้เนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึง่งเพราะทำให้เมตตามันเกิดสะดุดคือเดินหน้าไม่ค่อยได้ เพราะอะไรเพราะว่าในตรงนั้นแหละมันมีคนที่เรารักแต่ว่าหนักไปทางราคะมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองตามความพอใจของตัวเองที่กำเกิดขึ้นบางทีมันก็วิดุดชึ่งคนแก่คนที่เราไม่ชอบเป็นแผลไม่ตาไปในทิศใดทิศหนึ่งเนี้ยพอดีในทิศนั้นมีบ้านคนที่เราไม่ชอบอยู่ด้วย จิตมันก็สะดุดอยู่ที่ความไม่ชอบซึ่งมันเก็บสะสมไว้ภายในใจได้มากดังนั้นระหว่างเมตตาเนี่ยมันจึงมีความพยาบาทอยู่ด้านเนี่ยสืบเนื่องมาจากการสะสมความไม่ชอบเอาไว้อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นกามาราคะสืบเนื่องมาจากการสะสมความชอบเอาไว้เป็นการรักษาจิตทอยู่ในเมตานั้น จะต้องไม่เกิดพยาบาทแล้วก็ไม่เกิดกรารมาราคาในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนสัตว์ที่เราสงสารเขาประสบความทุกข์คนสัตว์ที่เราเมตตาเขาประสบความทุกข์เราก็เกิดจิตกรุณาขึ้นมาได้เพาเขาประสบลาบยศสรนเริญสุข เราก็เกิดมุทิตาขึ้นมาได้เราก็ประสบผลกรรมของเขาเราก็ทำใจเป็นกลางมัธยัติเป็นกลางก็กลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเป็นการปรับเปลี่ยนของจิตตามเหมาะกวนแกกรณีแต่ว่าทุกข้อที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ย ใจเราเมตตาแล้วไม่เป็นไปตามใจเราเมตตากรุณาแล้วไม่เป็นไปตามใจกรุณามุติตาแล้วไม่เป็นไปตามใจมุติตาเนี่ยใจจะปรับตัวเองไปอยู่ที่อุเบกขาคือมองเห็นเป็นกฎของกรรมที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามกรรมระสะแสดงว่าไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์เข้ามาเบียดแทรกอยู่ในตรงนั้น แต่ว่าจิตจะแล่นอยู่ในกระแสของธรรมะได้สเสมอเพราะในแนวของอสุภกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการมองในสิ่งมีชีวิตบ้างในสิ่งไม่มีชีวิตบ้างแต่ตามปกติแล้วที่มีที่ผลรุนแรงในโลกเรานั้นเป็นเรื่องของชีวิตกับชีวิตหมายความว่ามองกันซึ่งกันและกันนั่นเอง เป็นการประเมินค่าเป็นการตีราคาขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของผู้มองและบางครั้งเกิดมองเหมือนๆกันในหลายคนมันเกิดปัญหาขึ้นมาจนมีกระสึกจริงคนกันในประวัติศาสตร์ในวรรณคดีของเราใเร้ า, รราใจไปกาหนดว่าสวยงามด้วยกันทั้งสองฝ่าย แล้วไม่มีใครยอมถ่ายถอนยอมบรรเทายอมสงบความคิดในลักษณะนั้นในสู่ก็คุมใจตัวเองไว้ไม่ได้มันก็เริ่มต้นมาจากความคิดที่เรียกว่าความคิดที่เป็นวิปัสสนแต่วิปัาสนั้นจะมีอยู่หลายระดับทรงเรียงไว้เป็นสามระดับระดับหนึ่งเรียกว่าสัญญาวิปาัาส คือการจำหมายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปกำหนดว่ารูปนั้นสวยเสียงไปรอกกลิ่นนั้นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องนิถือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่รับสัญญาเนี่ยที่จริงมันถ่ายทอดได้ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เพราะเป็นเพียงความทรงจําและเราได้ข้อมูลจากคนอื่นข้อมูลนั้นไม่ใช่เป็นของเราแต่พอถึงจุดหนึ่งเรียกว่า จิตตะวิปลาดมันเป็นความคิดที่คลัตขึน้นแสดงว่าเป็นเรื่องภายในใจเราแล้วเราคิดเราเองเราคิดเราเองว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะเป็นต้นนีเราคิดตัวเองเมื่อคิดตัวเองมันก็ปักใจฝังใจตามกระบวนการของความคิดเราจะเห็นว่าในกระแสของความคิดเนี่ย หากว่าเขาคิดได้ดีคิดได้ชอบทุกอย่างมันก็เดินไปได้ในทางที่ชอบที่ดีดังนั้นแนวกายานุปษษัสสนาหรือแนวสุภากรรมฐานจึงทรงสอนในการใช้ปัญญาตีนิพิจนาตุกายที่เป็นภายในบ้างพูดง่ายๆว่าดูกายเรากับกายคนอื่นกายภายในกับกายภายนอก หรือว่าดานันดูหน่วยหน่วยย่อยในกายของเราเช่นลมหายใจเข้าออกที่กำลังเข้าออกเนี่ยก็เป็นกายภายในลมหายใจที่ยังไม่ได้หายยังไม่หายเข้าหายออกก็ยังเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกายในภายนอกหรือว่าหยิบผมออกมาสักเส้นหนึ่งถือว่าเป็นกายภายในแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นกายภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ผมบนสีรษะกับผลที่อยู่ในมือนั้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันโดยกลิ่นโดยสีโดยสัญคานโดยสันธานโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการช่มแช่โดยโปโพโรยเจตต่างๆเนี่ยนั้นมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่าการดึงใจจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งนั้นดึงค่อนข้างยากเพราะว่าในส่วนที่ตกลงสีรษะนั้นเรากาหนดเป็นของปฏิกูลดูโดยปกติวิสัย แต่ที่อยู่บนศีษะนั้นเรากาหนดเป็นความสวยงามเป็นปกติวิสัยก็ต้องลงว่าสะสมข้อมูลมาคนเรื่องกันมันโอกาสที่จะเห็นสิ่งซึ่งอยู่บนศีะปฏิกูลเนี่ยจึงดูยากแต่ถ้ามันลงมาข้างล่างแล้วก็จะดูได้ไง่ายเพราะไรเพราะในชีวิตประจาวันเรากาหนดอย่างนั้นแล้วพยายามปรุงแต่งพยายาม รับปรุงกันด้วยวิธีการต่างๆที่เงินเสียทองไปในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นจำนวนไม่น้อยเพื่อปลอบประโลมใจให้รู้สึกว่ามันสวยงามมากคลายน่าปรารถนาน่าพอใจแต่นั้นเองแต่ถึงจุดหนึ่งนั้นเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนั้นจะไม่ได้พยายามมองในมุมอื่น เราลองคิดดูง่ายๆอย่างเรื่องรามเกียรติเนี่ยพระรามกับนางสิทธิ์ไอ้พระรามกับทศกัณฐ์เนี่ยแยง่งนางศีดากันอยู่สิบสี่ปีคือเราจะเห็นว่าไม่ได้มองสังขารร่างกายของนางสีดาที่แก่แล้วตัวเองก็แก่แล้วตั้งคู่นึงก็แก่เดียกันคือไม่ได้มองที่ความแก่ของกันและกันเลยแต่มองแนวเดียวว่าต้องครอบครองให้ได้ตอนนั้น พระรามก็ต้องการออกคืนให้ได้ทศกัน์ก็ต้องการครอบครองให้ได้ใครจะตายกันกี่คนไม่ยอมคิดอะไรเลยไม่ยอมสืบสาวไปถึงเหตุคือสมุทัยที่ทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นอาการของทิฏฐิที่มันวิปราดไม่ยอมที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดในอารมณ์เรานัน สถานการเหล่านี้บางทีก็จมปลักจมหลุมจมบ่อไปท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้รงมระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนนุ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี